บุญกุศลนี่เกิดจากการฟังธรรมะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ไกลตัวหรกธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราคำว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำกลางๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาลัทธินิกายบวชหรือไม่บวชทุกคนก็ คือก้อนแห่งธรรมะทางนั้นแหละคือก้อนของธรรมชาติใครก็ตามที่ไม่ได้นบตื่ศาสนาพุทธหรือไม่มีาศาสนาเลยนี่ก็ฟังได้เพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของกายเรื่องของจิตซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนาศาสนาหรือลทิ ระเบียบการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวง น, น, นั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นกำแพงขวางกัน้นในการฟังธรรมกในวันนี้นะเราเปิดกว้างเ <c oughs> ป็นเรื่องของคนทุกคนมีหลักธรรมข้อหนึ่งเรืยว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนา ที่น่าสนใจแล้วก็นําเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวั น, นก็คือหลักที่เกี่ยวเรื่อง ก, กรรมเคยได้ยินไหมกรรมกรรมคือกอไก่รอเรือรอเรือแล้วก็หมอมา้ากรรมในข้อนี้ยืัว่าถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็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 เจตนาหรือความตั้งใจอันนั้นถือว่าเป็นกรรมบางคนทำพูดคิดแต่ไม่ได้ตั้งใจก็มีใช่ไหมอันนั้นยังไม่ใช่เป็นกรรมที่แท้จริงถ้าเราตั้งใจพูดตั้งใจทำตั้งใจคิดอันนั้นจะเป็นกรรมทั้งหมดแหละนั่นบางคนจะสงสัยว่าเออเราเดินไปแล้ว เหยียบมดปลายตวงโดยไม่เจตนาเนี่ยจะเป็นกรรมหรืออันนั้นยังไม่ใช่เป็นกรรมนะเธอเป็นก็เลยเป็นกริยาหรืออาการที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ไดเจตนาเห็นหั้ยในตัวบทกฎหมายเขาจึงบอกว่าถ้ามีการไตรตรองวางแผนไว้ก่อนน่าจะว่าเจตนาใช่ไหมจะมีโทษหนักกว่าความประมาทที่ไม่ได้ตั้งใจหรือซ้าไป ความประมาทผิดด้วยความประมาทด้วยบันดาลโทษะหรือไม่ได้ตั้งใจอันนั้นโทษทันก็จะลดลงไปตามเหตุการณ์เพราะนั้นกรรมคือต้องตั้งใจเจตนามันจึงเป็นกรรมแน่นอ น, อนเพราะบางคนบอกถือศีลห้าในภาษาที่ถือศีลห้าแต่เผลอบี้มดขับอะไรตัว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 เป็นคำกลางๆจะว่าคำว่ากรรมเนี่ยดีหรือชั่วนั้นยังไม่ได้ก่อนจกว่าจะมีสิ่งต่อท้ายว่าทาดีหรือทาชั่วทาดีคือกรรมดีทำชั่วคือกรรมชั่วคือกรรมไม่ดีนะ ม, มันต้องมีสิ่งต่อท้ายจึงจะขยายคาว่ากรรมนั้นเป็นเจตนาหรือไม่เป็นคำกลาง บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเราจะมักจะมองในแง่ที่ว่าคนที่ถูกไฟไหม้บ้านเราก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นกรรมของเขาเป็นกรรมของเขาเลยถูกไฟไหม้บ้านแต่เวลาบางคนที่ถูกรถตุว้วันที่หนึ่งเราบอกว่ายังไงไหมอ๋อเป็นบุญของเขา เรามองเรื่องของการเรื่องของการสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีทต่งั้นเลยใช่ไหมสุมาอ๊อไอกรรมครับที่จริงมันเป็นการกระทาของเขาเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าพอทำไม่ดีแล้วเต่ว่าเป็นกรรมพอทำดีนะั้นเป็นบุญ <c oughs> เขาก็ทำกรรมดีเขาก็ทำกรรมดีนักเรียกว่ากรรมดีรรมดรรมดคือผลออกมาดีกรรมไม่ดีผลออกมาไม่ดีเป็นคเป็นคากลาง เรยจะมองว่าคำว่าการปฏิที่ไม่ดีเสมอไปไม่ใช่ต้องมีความคขยายซะก่อนเมืองทำคำนึ่งในาศาสนาที่เ็าพูดถึงเรื่องเวทนาคือคำว่าเวทนาไหมเวทนาดีในเขาเรียกว่าเวทนาหรือเวทนาเราจะมองในแง่ที่ว่าน่าสงสาร เวทนาขึ้นน่ารงสาร เ, เวลาเขาป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ ย, ยอาการเขารุนแรงนู้นเวทนาน่าเวทนาใช่ไหมส่วนคนที่ดูหนังแล้วมีความสุขแล้วก็หมายถึงว่าโอ้อันนั้นเขาเขาไม่มีเวทนา <laughs> เขากลังมีความสุขเวทนาเนี่ยหรือเขาเวทนาเป็นคำกลาง เวทนาหรือเวทนาเนี่ยมันแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกหรือ feeling ความรู้สึกถ้าว่าดูหนังแล้วสนุกก็เรียกว่าอ๋อสุขเวทนาหรือสุขเวทนาเขารู้สึกว่าเขาเป็นสุขหรือเวลาเราป่วยไขย้นอนเจ็บปวดร้องครวญคราง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 จะเกิดผลได้นั้นต้องดูมีคำขยายข้างหลังว่าสุขหรือทุกข์หรือดีหรือชั่วกรรมดีกรรมชั่วสุขเวทนาทุกขเวทนาต้องมีคำขยายนั้นใช้คำนี้ไอ้ถูกต้องเราจะได้ไม่สับสนอย่างเช่งคำพูดที่ว่าฉันอยากจะคำนี้บอกได้ไหมว่ามันเป็นกรรมหรือยังฉันอยากจะ อยากจะทำความดีใช่ไหมเข า, าเรียกเป็นกุศ ล, ลกรรมฉันอยากจะทำความดีอยากจะคือการกระทำแต่ไม่รู้อยากจะทำอะไรต้องขยายว่าอ๋อทำความดีนี่เป็นกุศลธรรมนะต้องมีคำขยายตามหลังซะก่อนฉันอยากจะพูดฉันอยากจะพูดบอกแล้วว่าพูดดีหรือไม่ดี <laughs> ฉันอยากจะพูด พูดธรรมะนะอ๋อนี่พูดดีเ็าเรียกวุโสละกรรมต้องมีคำขยายตามหลังสองคำที่เราต้องเอาไปใช้นะและอีประการหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่ทำความผิดหรือทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ในอดีตเนี่ยวิธีการจะลืมมันเนี่ย บางทีมันยากมากใช่ไหมเขาเรียกว่ามันติดที่ติดจิตใจเขาเลยนะติดจิตใจเราคิดที่ไรเนี่ยเราปวดร้าวทุกทีเคยไหมทุกคนจะต้องมีเรื่องที่มันเลวร้ายเคยทำไม่ดีเอาไว้ในอดีตเราคิดที่ไรเนี่ยรู้สึกมันเจ็บปวดบางทีก็นอนไม่หลับเอาเรื่องราวในอดีตมาคิดอีิตกกังวลเรามีไหมบางคนอยากจะลืมแต่มันลืมไม่ได้ มันลืมไม่ได้มันติดที่จิตที่ใจเราเรียกว่ามันเป็นกรรมในอดีต ท, ที่มันค้างคาใจมาจนถึงปัจจุบันอยากจะลืมก็ลืมไม่ได้ยิ่งอยากลืมมันก็ยิ่งคิดคิดทีไรก็เศร้าหมองทุกทีบาเขาเรียกว่ามันเป็นแผลลึกอยู่ที่กลางใจยากที่จะลบเลือนได้ แต่ว่าเราลบได้เรามีวิธีการที่จะทำอย่างนั้นที่จะไม่ต้องกลับไปคิดถึงเรื่องเรวร <laughed S 1> ้ายในอดีตก็ได้เพียงแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองอยู่กับปัจจุบันชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่คิดถึงอ ด, ดีตหรอกมันไม่ก็ไม่ไปอาลัยอาวรถึงเรื่องอดีตหรือกังวลถึงเรื่องอนาคตต้องอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันเนี่ย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 ลบเรือนแต่ไม่ลบล้างลบเรือนถ้าไม่เราใจเราไม่คิดถึงอดีตจอยู่กับปัจจุบันทําความดีแล้วก็ต้องไม่ไม่กลับไม่กลับไปทําเหมือนเดิมอีกถ้ากลับไปทําเหมือนเดิมเมื่อะไร้วก็กรรมในอดีตมันก็ส่งผลอีกอย่าไปทําเหมือนเดิมให้ทํากรรมใหม่คือทําความดีกรรดีในปัจจุบันละมันจะได้ตามไม่ทันและอีกอันก็คือ อย่าได้ไปคิดอย่าพยายามไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เราต้องปวดร้าวอย่าไปคิดเราจะทำผิดตั้งเลวร้ายมากน้อยแค่ไหนก็ตามเลวร้ายขนก็ตามเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันถ้าคิดถึงเมื่อไรแล้วก็ไอ้ความคิดเนี่ยมันทำทาร้ายใจเรากรรมมันเกิดจากความคิดนะถ้าไม่คิดไม่เป็นกรรมนะมันเกิดจากความคิดที่คิดขึ้นมา เราลืมไปแล้วมันจบไปแล้วอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าไปหวนคิดมาเมื่อไหร่เราก็เราก็จะเจ็บปวดอีกเหมือนกันอย่าไปคิดแต่ว่ามันห้ามได้ไหมความคิดคนที่ทำผิดเอาไว้เนี่ยมันห้ามได้ไหมความคิดอย่างน้อยมันก็ต้องคิดขึ้นมาแน่นอนละ่ะถ้าไเราจะตั้งใจจะไม่คิดมันก็ต้องคิดนะ่ะว่ามันบีบคั้นแน่ดี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 บางคนก็บอกว่าอย่างนี้เราไปทำความไม่ดีในดีดไว้พอถึงปัจจุบันเราก็ตั้งใจจะไม่คิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกมันต้องคิดอ่ะเขาจะบอกว่ากรรมแม้แต่นิดเดียวกรรมชัวนะ่วนมแต่นิดเดียวเนี่ยไม่ทําเสร็จเลยจะดีกว่าเพราะมันมีผลธรรมชาติของจิตใจคนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สะสมกรรมแล้วก็กิเลสทั้งหลายเอาไว้มากมาย เพราะนั้นยากที่เราจะห้ามมันห้ามไม่ให้กิเลสขึ้นนี่เกิดขึ้นนี่เราห้ามได้ไหมไหนใครห้ามความโลภความโรกรธความหลงได้บ้าง <c oughs> ใครห้ามคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้บ้าง <c oughs> เราก็อยากจะคิดดีแต่บางทีจิตตัวนั้นมันก็คิดไม่ดีก็ได้ <c oughs> ใช่ั้ยล่ะ <c oughs> นั่นเรื่องกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยเราอย่าไปห้ามมันไม่สามารถห้ามมันได้หรอกมันต้องปรากฏขึ้นเป็นขณะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันสิ่นั้นก็จบลงไปในความคิดเท่านั้นถ้าเรารู้ไม่ทําะไรแล้วเราก็ต้องทําตามมันนั้นบางคนบอกเอ๊ะทำไมกิเลสเรามากทําไมความคิดเราเยอะอย่าไปกังวลเลยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตใจจิต ท, ทุกดวงทุกคนเนี่ยจะมีที่สะสมกรรม ต่างๆแล้วก็กิเลสต่างๆเอาไว้แต่มันจะออกมาไม่ได้ถ้าเรามีสติรู้ทันก็จบลงอยู่ที่ที่ความคิดทนั้นเองนะอย่าไปห้ามความโกรธให้เรามีสติรู้ทันความโกรธซะก็ใช้ได้อย่าไปห้ามความโลภ ก, ก็มีสติรู้ทันความโลภซะก็ใช้ได้อย่าไปห้ามความหลง เราสร้างความรู้สึกตัวไว้มันก็ควบคุมความหลงได้คุมกำเนิดความหลงได้โดยการสร้างความรู้สึกตัวบางคนแบบไม่อยากคิดมากไม่อยากคิดเยอะพอคิดอะไรมันฟุ้งซ่านมาไม่หลับมันห้ามไม่ได้หรอกจะคุมกำเนิดความคิดได้นั้นจะต้องฝึกสติสติมันคุมกำเนิดความคิด คนเราสมัยนี้ก็ต้องมีการคุมกำเนิดไม่งั้นลูกเยอะเยอะก็เลยแนะนำว่าอย่าไปคุมกำเนิดเลยคุมกำหนัดตั้คุมกำหนัดตัมดต้มันก็จะมีอะไรกำเนิดขึ้นมาหรอกกำหนัดเกิดขึ้นที่จิตที่มันเกิดความคิดให้มิติรู้ทันรู้ทันในความกำหนัดตัคือคนที่ต้องการที่จะคุมกำเนิดนะลองคุมกำหนัดด้วยสติด้วย ไม่เจ็บตัวด้วยได้สติได้ปัญญาเด้ออย่าไปคิดถ้าคิดให้มีสติรู้ทันกรรมก็จะไม่ส่งผลรู้ทันความคิดเนี่ยเคยไปพุทธมณในเรือนจำผู้ต้องขังเนี่ยก็น่าสงสารที่ว่าเขาถูกอดีตหลอกหลออคนที่ทำความผิดไในอดีตมากมาย แม้ว่ากาลังรับโทษจำในเรือนจำแล้วแต่จิงเขาก็ยังไม่ปกติเพราะเขาคิดในสิ่งที่เราทำมาคิดในสิ่งที่เราทำมาคิดทีร่ายาก็เจ็บปวดทุกทีเขาจะทำอย่างไรดีก็แนะนำเขาว่าอยู่กับปัจจุบันเสเรื่องทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากอดีตเราเคยเป็นผู้ที่ทำความผิดทากับความชั่วไว้ในอดีตในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทาสิ่งนั้น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 อารมณ์ที่สูขอดีตมาหลอกหลอนได้มันก็ย่อมมีเป็นระยะๆะะหนึ่งแต่มันอาจจะน้อยลงน้อยลงให้เขาฝึกสติเอาไว้ให้รู้ทันความคิดที่เกิดในจิตของตัวเขาเองเขาอาจจะบรรลุธรรมในเรือนจำก็ได้ไม่แน่นะถ้าว่ารู้ต่อนเนื่องไปบ่อยๆเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องความคิดในความผิดที่ตัว อ, อดีตมาหลอกหลอนเขาได้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 ให้เขาฝึกแล้วทุกคนก็ต้องฝึกด้วยนะใครที่อยากมีชีวิตปัจจุบันอยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะลืมเรื่องเก่าๆนี่เดีก็ต้องฝึกสติอยู่กับปัจจุบันอยู่การทำงานอยู่การใช้ชีวิตนี่แหละในชีวิตประจำวันทุกคนต้องมีความรู้ตัวรู้ตัวสองคาคือรู้ตัวแค่รู้ตัวนั้นชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันทันทีเลยไอ้ความรู้ ต, ตัวตรงนี้แหละก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่เดีย ฝึกชีวิตยอยู่กับปัจจุบันกับการทำงานเนี่ยด้วยความรู้ตัวกับการใช้ชีวิตนี่แหละมีใครเคยฝึกสติบ้างไหม <c oughs> ฝึกเอาไว้นะมีประโยชน์มากอันนี้เป็นเครื่องรางเครื่องรางของขลังเอาชนะความทุกข์ไม่ต้องไปห้อยไปแขวน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 เรามีความตั้งใจสักหน่อยตั้งใจทำนั่นล่ะเรามีสมาสติเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันแล้วขณะฟังเนก็ตั้งใจฟังณปัจจุบันเนี่ยก็เกิดสติอยู่แล้วในตัวเองคาว่าตั้งใจเนี่ยคือใจมันตั้งขึ้นตั้งขึ้นคือตั้งสติตัวเองนั่นเองไม่ได้ไปใช้อะไรยากเย็ยนเลยตั้งใจทำาณปัจจุบันนั้นต่อหน้าเราเป็นแดนงานเราตรงนั้น แค่ตั้งใจสติก็เกิดแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งยากเย็นในปัจจุบันพอตั้งใจปั๊บชีวิตทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นอนะอยู่ที่ปัจจุบัน ท, ทันทีแต่มันเดียวๆใช่ไหมพอเริ่มตั้งใจเดียวทด่จ่ายก็คิดละคิดไปในอดีตอนาคตคิดไปมากมายวิตกกัวงวลสารพัดอย่างเราห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรารู้ทันซะเราก็มาตั้งใจทําใหม่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 บางคนปฏิบัติธรรมแล้วฝึกสติแล้วทําไมสติไม่เคยเกิดทําไมมันจึงหายไปนานใจ <c oughs> มันหลงนานเราต้องฝึกบ่อยๆคนที่ฝึกสติเป็นประจำเนี่ยพอมันหายไปแล้วมันเกิดได้ไวหายไปแล้วเกิดได้ไวหายแล้วเกิดได้ไวใช่ไม่มมันสั้นมันจะไม่นานต้องฝึกบ่อยๆ อ, อะไรที่ทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมาก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 รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเวลากลายเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันใช่ไหมเนี่ยสร้างนิสัยแล้วสัง้งนสัยที่จะมีสติแล้วเวลาใจมันคิดปรุงแต่งก็รู้ทันไม่ได้ห้ามเลยแค่ตามรู้ท่านเองการปฏิบัติธรรมการฝึ ก, กจิตไม่ได้ห้ามอะไรหลายมันเกิดโดยธรรมชาติแต่เราเพียงแค่รู้ทันเนีเรารู้ทันเองถ้าไปห้ามเนี่ยมันเครียด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 สี่อันจุดดเขาก็สวดตะลัปักก็บังเอาไว้เห็นเด็กมันชะโงกดูชะงกดูพระหลังตะลับปากเาทำอะไรเวลาพระสวดไปเด็กก็แอบชะงกดูพระก็เลื่อนตะลัดแต่พอพระเปิดตะลัดปามาวานแล้วก็ ตัวธรรมดาเนี่ยเด็กไม่ชอบงอก ด, ดูนะดูเด็กมันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมห้ามดูตรงนั้นทำไมพระอนตาลปัดมาบางหน้าสิ่งที่ห้ามอะไรเนะเราห้ามคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดห้ามโกรธมันก็ยิ่งโกรธเพราะการห้ามมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลิดลอนสิทธิของจิตใจมันกิเลสมันมีหน้าที่จะต้องแสดงตัวมันในจิตใจใช่ไห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 ขโมยมันก็ทาหน้าที่ขโมยทีถ้ามันไม่ขโมยจะเรียกว่าขโมยได้อย่างไรแต่เราเป็นเจ้าของต้องทําหน้าที่อะไรเก็บงําให้มันดีปิดให้มันสนิทมิดชิดนั่นคือหน้าที่ของเราจะไปห้ามขโมยแม่มาขโมยของเรามันห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามมันยิ่งเรากลวมีอะไรดีบ้านนี้ห้ามตำรวจแม่จับขโมยก็ไม่ได้ ตำรวจมีหน้าที่จับขโมยคือแต่ละคนเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกต้องห้ามแมวไม่ให้จับหนูได้ไหมแมวมัต้องจับหนู <laughs> งั้นจะเรียกว่าแมวเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติอิสระปล่อยก็ทำหน้าที่เราก็คอยรู้ทันมีสติเคยรู้ทันเท่านั้นเองมันจะง่ายทําแค่หนึ่งเดียว ถ้าไม่ให้คิดมันไม่ได้แต่มันคิดแล้ว็นสติรู้ทันเนี่ยเราทำได้เนี่ยเราฝึกได้ในชีวิตประจำวันของเราฝึกเวลากายเคลื่อนไหวสติรู้นะพระเองเวลาใจมันคิดสติรู้ไม่ใช่รู้เพื่อให้มันดับรู้เพื่อว่าอ๋อนี่มันคิดรู้มันคิดพารู้ว่ามันคิดแล้วเนี่ยตรง น, นี้เราต้องใช้ความคิดใช่ไหมเราก็ตั้งใจคิดอย่างมีสติ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 แต่ไปห้ามถ้าไปห้ามมันก็ต้องเราห้ามมันไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องกินยาระงับใช่ไหมกินยาระงับกินยาให้มันรับเนีซึ่งสมัยเนี้พึ่งยากันมากแม้แต่หมอเองก็ใช้ยานะหมอเองก็คิดเยอะนะแต่หมอต้องใช้ยาช่วยไม่ได้ว่าจ่ายยาคนไข้อย่างเดียวแต่จ่ายยาให้หมอนั่นแหละหมอก็คือคนไข้ตัวเอง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 อยากจะหลับใช่อหมอลองไปหลับความจริงดิไม่เอาแหละ <c oughs> แล้วมันทีจิตมันต้องต้องรู้ทันมันเมื่อมันหลับก็คือหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราจะจะิตสติยันสว่างเลยเป็นบุญเป็นกุศลด้วย <c oughs> พอเรายอนรับแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็หลับเพราะจิตมันได้ผ่อนคลายไม่ถูกบังคับเนี่ยวิธีการรู้ทันจิตคือตรงนี้ ต้งปลอยมันเป็นไปให้จิตมันคิดแต่เราก็รู้ทันเนี่ยเป็นสติเป็นปัญญาการฝึกสติเนี่ยมันเป็นมันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเรื่องของสมาธิไม่ต้องพูดถึงหรอกมันจะเป็นของแถมสติจดจ่อตรงไหนสมาธิก็เกิดตรงนั้นสติจดจ่อตรงไหนสมาธิกเกิดตรงนั้นมันเป็นธรรมก็เรียกกระบวนการที่มันคู่กันสติคือความรู้ตัว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 มันก็จะค่อยๆคลายลงไปดับลงไปเลยถ้าตั mata, à, ize, ้งใจทำในสิ่งหนึ่งทุกจะไม่เกิดเมื่อเราไม่สติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกอะไรก็ไม่เกิดทางนั้นแหละที่มันเกิดเพราะว่าเราเผลอเผลอตัวเผลอสติปล่อยไปคิดนึกแล้วบอกว่าสติไม่ดีเราสติไม่ดีสติเนี่ยมันดีสติไม่ดีสติดี เาว่าสติเนี่ยมาดีทล้วกันน่ะแต่เรานิสัยไม่ดีบอกสติไม่ดีแล้วเราสติดีครับแต่นิสัยเราไม่ค่อยดีเขาต้องเรียกว่าฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดระนิสัยด้วยสายการเจริญสติแะฝึกหัดดัดนิสัยมันเป็นกุศลนะถ้ามีสติจิตเป็นกุศลเลยศีลห้าทั้งหมดอยู่พร้อมศีลจะมีครบได้นั้นจะต้องมีสติ ถ้าขาสติเมื่อยแล้วก็ศีลมันมีโอกาสที่จะด่างพร้อยหรือผิดได้สติไม่ถึงความสัมรวมศีลก็หมายถึงความสัมรวมเหมือนกันไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็เป็นศีลถ้ามีสติแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนใครเป็นการละความชั่วทำความดีละกามชั่วทำกรรมดีสติเป็นส่วนที่ดีเป็นกรนกรมดีเป็นกุศลธรรมเนี่เราฝึกเอาไว้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 รู้ความจริงของจิตแต่เรานั่งปับ๊บรู้สึกเมื่อยสติรั่วอ่อนนี่อาการเมื่อยเป็นเรื่องของกายเนาะเนี่ยกายมันต้องเมื่อยมีกายใครไม่เมื่อยบังไหม <c oughs> กายอ๋อเมื่อยเป็นทุกขเวทนาอ๋อนี่เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราเราก็รู้ทานเท่านั้นเองเนี่ยพอกายเมื่อยใจก็ทุกเวลาร่างกายมันหิวใจก็โกรธใช่ป <c> ะ <oughs> เราเป็นได้อย่างเงี้ยความหิวกับความโกรธไี่มันสิ่งเดียวกันไหม ความหิวความโกรธเสิ่งเดียวกันไหมความหิวภาษาอังกฤษว่าอย่างไรและความโกรธภาษาอังกฤษว่าอย่างไงมันครานกังง น, ก น, กนแต่เราพอหิวปับ๊บโกรธเลยอาหารไม่ถูกปากเพราะนั้นคนที่ฝึกสติแล้วเนี่ยความหิวก็เกิดทีร่ร่างกายร่างกายสติรู้ทันก็จบใจไม่ต้องโกรธ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 กายป่วยใจรู้ก็ดูแลกายไปหายาให้มันกินเมื่อไม่หายก็ไปพาไปหาหมอต้องแบ่งแยกกายป่วยใจไม่ต้องทุกข์ใจก็รู้ทันใช่ไหมแบ่งเลยถ้าใจไม่ทุกข์เนี่ยอาการป่วยทางกายมันหายไวรักษาได้ง่ายเรียกเป็นไข้ที่รับยาเแล้วร่างกายมันป่วยใจเป็นทุกข์เนี่ยบางทีไม่ปฏิเสธยาทั้งหมดเลยนะ ไม่ดูแลตัวเองแต่ถ้ากายป่วยใจรู้อ๋อร่างกายป่วยแบบนี้เนาะเราไม่ต้องทานยาก็ได้เป็นไข้ในดื่มน้ำ เ, ย, เยอะๆทำร่างกายอบอุน่นเวลาเป็นไข้สูงก็เอาน้ำมันรูปตัวเช็ดตัวมันก็หายเห็นไหเกิดสติปัญญารู้ทันอ๋อกายเดี๋ยมันต้องปว่วยเราเป็นไ ข, หข้หลายครัง้งหลายคราก็โอ้กายกต้องเป็นนี้แหละเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราลแล้วก็ดูแล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 เมื่อเกิดโรคไปแค่เจ็บเพราะจิตใจเราเนี่ยขาดสติรู้ทันว่ากายต้องการอะไรอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าใครนะยตัวอย่างยกตัวอย่างมันชัดเจนเราต้องแยกกันจะรู้ทันเรื่องของกายออกายดีมันก็ต้องความไม่เที่ยงบัคขบัญชาไม่ได้หรอกไม่อยากป่วยมันก็ป่วยเมื่อป่วยแล้วอยากกหมันหายไปไวมันก็ไม่หายไวแล้วแต่อาการของมัน นี่เกิดสติเกิดปัญญาฉลาดละจะปล่อยวามันได้ก็ตรงนี้แหละเรื่องความคิดเรื่องของกิเลสเนี่ยคนที่มีความโกรธรือมีความโลภเนี่ยมันเกิดทั้งวันทั้งคืนไหมมันเกิดชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งแวบบเดียวแล้วมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ทาตามมันก็หายไปถ้าทำตามคือไปปรุงแต่งต่อเติมเวลาเกิดความโกรธ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 ไปปรุงแต่งจากความโกรธปรุงแต่งเป็นอุปทานความยึดมั่นว่าเราโกรธเลยและก็ต้องทำตามความโกรธให้ได้เ็าเรียกว่ายึดมัน่นถือมั่นอุปทานว่าต้องทำให้ได้ต้องเอาให้ได้ยอีต้องให้ได้เนี่ยจะต้องได้จะต้องเอาให้ได้แก้คืนให้ได้เนี่ยเาเรียกว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นจากความโกรธนิดเดียวนะเราไม่ปล่อยให้มันผ่านไปให้ดับไปเอง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 ไม่มีสติรู้ทันในความโกรธในขณะแรกเสียก่อนปลายมันลุกลามแต่ทีดับยากละ่ะมันก็ไหม้ใจเราแล้วก็ไหม้คนอื่นคนรอบตัวคนที่เราโกรธอันนี้คือคนขาดสตินะคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยคิดฆ่าตัวตายด้วยด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตอนแรกทุกคนเวลามันผิดหวังปั๊บมันจะคิดเลยว่าโอ้ยงี้กูตายเราตายดีกว่า แล้วไม่ไม่จบตรงนั้นนะพอผิดหวังในโอ้เราตายดีกว่าผิดหวังทีแล้วก็ตายดีกว่าไอความคิดไม่บ่อยไบ่อยอย่างนี้ไม่บ่อยเนี่ยมันฆ่าตัวตายได้นะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดจากการย้ำคิดคิดบ่อยๆบ่อยๆมาเลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปไอการฆ่าเราตายเรื่องธรรมดาไปแล้วมันฆ่าได้จริงฆ่าตัวเราตายด้วยมาที่ฆ่าเราไม่พอฆ่าคนรอบตัวฆ่าญาติของเรา ลูกเราสามีภรรยาเราก็มีนะนั่งแค่ความคิดผิดบางแล้วคิดฆ่าตัวตายไม่รู้ทันมันแล้วมันฆ่าได้จริงๆ น, นระวังให้ดีนะพอคิดปั๊บให้มีิติรู้ทันอวัยให้มันจบตรงนั้นอย่าให้มันเบ่งบานจนกลายเป็นอุ ป, ปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะต้องทําให้ได้เนีเ่มี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 หัวใจเป็นส่วนรูปธรรมจิตใจเป็นส่วนนามธรรมาหัวใจไม่เป็นอะไรแต่จิตใจเน่ยมีความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทไม่อยู่ที่หัวใจอยู่ที่จิตใจเขาจึงนอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมและพร้อมที่จะเป็นโลกอีกหลายโลกจากไอความคิดอาฆาตพยาบาทเนี่ยเขาบอกว่าไม่ยุติธรรม กรรมไม่มีจริงทําไมจะไม่มีเพียงแค่เขาคิดอาฆาพยาบาลเนี่ยมันก็เป็นกรรมทางจิตแล้วเขาก็ไม่มีความสุข เ, เขาก็นอนไม่หลับแล้วถ้ามีจริงไอ้คนที่ฆ่าลูกเขาจะต้องรับกรรมสิเขารับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแม้แต่กฎหมายทําอะไรเขาไม่ได้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 เพราะไม่มีหลักฐานอะไรงั้นหนาทีของคุณก็คือไปอุทธรไปดีกาก็ทำไปแต่นั่นหละมันเป็นเรื่องราวที่ยาวนานนะอุดทรนดีกาก็ต้องใช้เงินใช้เวลานะในเมื่อกขตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างไงก็ยอมรับไม่ได้เขาบอกลูกเขาเป็นคนดีงั้นทำดีก็ไม่ได้ดีดิแล้วตอนที่ลู ก, กุทําช่วเนี่ยคุณรู้ไหม <c oughs> มองแต่ในส่วนที่ดีนะส่วนที่ไม่ดีมันก็มี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 เราจะได้นอนหลับได้ส บ, บายไม่งั้นเราก็มีโรคภัย็เจ็บมากมายยิ่งโกรธมากอาฆาตมากก็แก่ไวตายเร็วแก่ง่ายและตายเร็วหน้าตาก็ไม่สวยแล้วลูกคุณตายไปแล้วจะนอนตาหลับไหมในเมื่อแม่เป็นได้อย่างเงี้ยถ้าแม่ให้อาภายัยในลูกจะไม่แค้นแม่หรอกนะว่าทำไมไม่โกรธเขาลูกจะตายด้วยความสงบเพราะถ้าลูกเป็นคนดีจริงลูกต้องให้อาภายัย ก็บอกเอาเถอะเมื่อกฎหมายทําอะไรเขาไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันตามร่างฐานที่จิตใจเขาเขาจะนอนไม่หลับไม่สบายใจเขารับกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของจิตใจเนี่ยหนีกฎหมายอาจจะหนีพ้นแต่หนีกฎแห่งกรรมเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะมันตามที่จิตใจคนขเขาเรียกมโนกรรมเนี่ไอ้เขาเข้าใจตรงนี้จะ แล้วฝึกทําใจสักหน่อยฝึกสติเพราะว่าเขาเองว่าเขาทาใจไม่ได้ว่าฝึกสติให้รู้ทันใจเราสิสติที่จะทําใจได้สติจะยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเนีย่ยฝึกเอาไว้อย่างนี้นะก็เล่าถึงตัวอย่างเล่าถึงเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเราในอดีตสมัยอันนี้นานมาแล้วนะที่ว่ามีเสือเสือสนเนี่ยเสือสนเนี่ยทําความผิดไว้เยอะป้นฆ่าเขาไม่มากมายเสือสนเนี่ย กินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขเพราะตํารวจตามร้างตามจับอยู่เรื่อยเสื้อสนทําความชั่วมากๆเขาก็ไม่มีความสุขเวลานอนต้องเทูบผูกไว้ที่ขาพอส่วนไมท้ที่เท้าก็ลุกขึ้นรีบเปลี่ยนที่นอนทุกคืนนะมังั้นเดี๋ยวถูกตํารวจสะกดรอยตามจับได้นอนตรงไหนก็เทูบผูกไว้กลางคืนนะ่นแหละ เวลาไฟมันไหม้เรามาถึงท้าตื่นเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนที่นอนทุกวันเวลากินก็ไม่มีความสุขวันหนึ่งตารวจจับได้เอาเข้าคุกเลยเสด็จสนว่าเออวันนี้นอนหลับสักทีระหว่างที่เขาหนีซอ ง, องนใจเขาไม่มีความสุขเลย พอค่อยถูกจับได้ปั๊บเออยอมรับโทษทันเขาก็เขาก็นอนหลับสบายเองเนี่ยเหมือนพวกเราอนะเนี่ยบางคนที่ถูกน้ําท่วมตอนน้ําจะท่วมเนี่ยโอ้ลุ้นท่วมไม่ท่วมหลายวันเครียดมาหลายวันทวนเปล่าวะดูทุกวันเลยนะท่วมไหมลุ้นล้นปลุ้นมาเนี่ยพอน้ําท่วมมาเออโล่งไอทีไม่ต้องมาเครียดเพราะไอ้น้ําท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ ย, ยก็แบบเสื่อมสนแล้วก็แบบคนบางคนที่ว่าเออต้องยอมรับให้เขา เป็นไปตามกันเขาทําความดีเขาก็ได้รับกรรมดีเขาทําความชั่วแม้ว่าใครไม่เห็นแต่เขาก็รู้ว่าเขาทําอะไรไอย่างมีคนมาชมว่าโอ้คุณนี่ดีทุกอย่างเลยในชีวิตคุณดีทุกอย่างเลยเราก็ไม่เคยภูมิใจเนาะไอ้ส่วนที่ไม่ดีเราก็มีแต่เขาไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่วงนี้เราต้องใจเรารู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นใเรา ฝึกสติเอาไว้ฝึกสติเอาไว้ให้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหละคนที่อยากลืมเรื่องราวในดีก็อยู่กับปัจจุบันเรื่องอะไดีตก็จะลบเลือนหายไปเองเนี่ยฝึกเอาไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยฝึกได้ในชีวิตจำปันเลยเป็นบุญตลอดเวลาเป็นบุญทุกวันโดยที่ไม่ต้องเข้าวัดก็เป็นบุญได้นะทําบุญที่ที่ทำงานของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าลารามเนี่ย ฝึกเอาไว้เลยนะเป็นสตนะิเอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระกายอยู่ไหนใจตรงนั้นอนะมันก็เป็นเป็นวัดเป็นพระอยู่ในตัวเป็นการฝึกตัวเองอยู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นการเก็บเกี่ยวบุญกุศลในช่วงในภาษานอกภาษาก็ทำอย่างนี้แหละเราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ความจริงของตัวเราสติเนี่ยมันต้องใช้ใช้ทุกเมื่อคืออยู่กับว่าเราจะใช้มากน้อยแค่ไหน อยู่ที่การฝึกฝนคนที่เกิดปัญหาคนที่ขาดสติดังนั้นคนที่มีความทุกข์คือคนขาดสติดังนั้นคนที่มีความสุขคนมีสติคนขาดสติสุขมันไม่ค่อยเกิดหรอกมันเข้าไม่ถูก <laughs> ถ้ามีสติแล้วเปิดช่องให้จิตมันเป็นปกติเนี่ยมันจะเริ่มมีความสุขมีความเบิกบานในจิตใจหัวใจในพุทธศาสนาเนี่ย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 ว่าเป็นเรา จ, จริงจะข่าวรอบยึดติดเมื่อไหร่แล้วก็มันมีเราขึ้นมาแล้วก็มันจะมีความเศร้ามองในจิตใจแล้ะจะไม่ข่าวรอบคนที่อยู่เหนือกรรมได้ก็ต้องจิตต้องข่าวรอบเนี่ยเพราะนั้นละความชั่วทำความดีทำจิตได้ข่าวรอบเนี่ยจะทำอย่างไรก็ต้องฝึกสติเนี่ยฝึกสติทําให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของจิต ว่ามันไม่ใช่เราซะจิตมันก็จะขาวรอบเป็นปกติมันมีความเบิกบานผ่องใสมีความอิสระของจิตใจก็จิตถึงข่าวรอบ <Yeah. S 1> เพราะนั้นกรรมเกิดจากความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่ากายจิตเป็นเราเมื่อไหร่เราก็เราก็ต้องเป็นเปรตกรรมถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ากายจิตเป็นเราเนี่ยก็มีแต่สติปัญญาล้วน เรื่องของกายก็ทํำหน้าที่กายไปเรื่องของใจทําให้าที่ใจไปโดยที่ไม่มีผู้กระทําเครียดอยู่เหนือกรรมหลักกรรมสูงสุดคือการอยู่เหนือกรรมการจะทําจิตให้เขาลอ่อเพอยู่เหนือกรรมได้นั้นเนี่ยคิดเอามันไม่ได้หรอกยิ่งคิดเมื่อไหร่จิตมันก็เริ่มเป็นกรรมขึ้นมามากมายต้องมีการฝึกสติก็เรียกวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้ง มีปัญญารู้แจ้งก็ต้องเริ่มต้นในการฝึกสติฝึกสติก็ไปสติเวลามันติมากขึ้นมันก็เกิดปัญญารู้ความจริงของกายกขาจีการรู้แจ้งคือรู้เรื่องของตัวเรานั่นแหละเนี่ยเป็นวิธีการเข้าใจเกี่ยวัเรื่องนำเอากรรมมาใช้ในวิจิตประจำวันคือการมีสติอยู่ทุกเมื่อ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 ใหม่ๆแล้วโอ้เราต้องใช้กรรมแล้วมานอนใช้กรรมไปอยู่อะไรเราก็สร้างกรรมใหม่ดีเอาอาการป่วยใข้ของร่างกายเนี่ยมาฝึกสติมาฝึกจิตฝึกใจซะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นกุศลกรรมซะเห็นไ่มมันเปลี่ยนเลยที่จะนอนใช้กรรมเปล่าเลย <c oughs> เราอยู่เพื่อสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีกรรมดีคือฝึกสติให้เกิดปัญญาให้จิตนี่มันอยู่เหนือกรรมของตัวเองให้ได้ <c oughs> ผมไม่ได้อยู่เพื่อใช้กรรมผมอยู่เพื่อสร้างกรรมดีให้กับคนอื่นด้วยซ้ำไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นเป็นกรรมดีตลอดช่วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ต้องการนะไม่เอาสิ่งที่ตอบแทนไม่เอาขอบความขอบคุณไม่มีไปพูดที่ไหนให้ใครนั่งฟังจะตั้งใจฟังหรือไม่ได้กใไม่จะไม่เกี่ยวผมผมทำหน้าที่สร้างกรรมดีหน้าที่พูดแล้วคนจะสนใจหรือไม่ไม่เป็นไร คนจะเอาไปไปฏิบัติตามหรือไม่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรามีแค่ที่พูดในสิ่งที่เราควรจะพูดเรื่องของเขาจะจำเอาไปทำตามหรือไม่ทำตามเป็นสิทธิ์ของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราก็พูดแบบอิสระสบายเลยสบายเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ทำในส่วนของเราซะสิ่งที่เราทำดีแล้วก็ทำอย่งที่ดีซะ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 เอาเป็นหลักพูดเรื่องการเจรสติแต่เราก็รู้ว่าเรามาพูดที่ไหนอ๋อเราพูดที่กระทรวงอุตสาหกรรมเราพูดที่กระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหะเพ่าขยันมันเพียนโอ้กระทรวงขยนันสร้างกรรมโอ้กระทรวงนี้กระทรวงขยันสร้างกรรมเนาะก็พูดเรื่องกรรมก็จริงจริงนะอุตสาหกรรมคือขยันสร้างกรรมนะเพราะว่าเนี่ย จะมีมีโครงการหนึ่งที่กระทรวงเนี้ยก็เรียกโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีไหมเนี่ยมีในกระทรวงเนี้ยผมอยู่ที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ยคุณสีนาเนี่ยเป็นประธานชมรมประธานชมรม เ, เพื่อนคุณธรรมเนี่ยก็มีกิจการทําขนมลูกชุบถูกน้ําท่วม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 ให้ชมรมเพื่อนควรทมขยันสร้างกรรมเหมือนกันอันเนี้ยกระทรวงอุตสาหกรรมนกระทรวงที่ช่วยเหลือสังคมนะนนกระทรวงขยันสร้างกรรมดีขยันสร้างกรรมดีนะนชมรมที่ผมอยู่วันนี้ก็ได้รับประโยชน์รับประโยชน์จากส่วนที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ไปช่วยเหลือเหมือนกันตอนนี้ก็มาเป็นนักเรียนอยู่ที่เนี่จีอะไรกรม คณะกรมส่งเสริมเนี่ยก็เป็นนักเรียนเสาธิตยอยู่เสาธิตที่แล้วไม่ได้มาในในเก ง, งเรียนเนี่ยเนี่ยมีประโยชน์เอาแค่นี้ดีไหมบางคนชักหน้าเลยโอ้โหรอมาแล้วนี่ใครมีอะไรอยากจะถามไหมที่นี่ไม่มีนักปฏิบัติบ้างเลยเหรอไม่มีใครฝึกสติบ้างเลยเหรอ มีค่ะทำอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ายังทําได้น้อยมากค่ะเในน้อยเราชอบเจ้าคุยกับคนในน้อยคนนําเก่งแล้วไม่อยากคุยเขาเก่งแหละในน้อยเราชอบคนที่กําลังเริ่มหัดเดินนี่ชอบ เ, อเราจะได้ช่วยประคองก็ไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะซักถามอะไรไหมคะหรือว่ามีข้อสงสัยในสิ่งที่ที่เรา ได้ลองทำแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติมาด้วยตัวเองก็จะอธิบายทำให้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีมีไห ม, มค ะ, ะพี่เจีย๊ยบอาเชิญพี่เ<ค>จีย๊ยบค่ะ<ค>ทำทำยังไงอะคะทำไม่ได้พี่เจี๊ยบลองพูดนิดนึงว่าได้ทำอะไรไปอะค่ะแล้วอ๋อทำได้ทำได้ ลองดูนะทําได้เดี๋ยวจะสอนนิดเดียวนะทําได้ไหนะนะนะลองเอาเอามือขนาดก็หนึ่งวามันโตสิสมมตินะลองวางข้างเดียวนะว่ามันโตจะถนัดไหนะลองพลิกมือหงายรู้ไหมเอามือคว่ำดิรู้ไหมหงายดิรู้ไหมไ เอามือควม่มรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรเอามือหงายแล้วลองพลิกไปเรื่อยๆพลิกมือหงายพลิกมือคว่มก็รู้หงายก็รู้อย่าไปดูมันให้รู้อย่าไปใช้สายตาอย่าไปมองรู้ด้วยความรู้สึกมือหงายก็รู้ืมือคว่มเราก็รู้รู้ไหมอันไหนลองเอานิ้วจีก กับนิ้มือสัมผัสกันข้างเดียวนะสัมผัสกันอย่าไปดูมันรู้รู้สึกไหมว่ามือสัมผัสกันแล้วเราก็ับพิษตาดิรู้สึกไหมว่าเรากํำลังพิบพตา <Yeah. S 1> ลองหายใจเข้าลึกๆดิหายออกยาวๆรู้สึกไหมผมบอกอันไหนลองยืนดิการนั้งยืนยืนยืยื น, ยน <laughs> อนั่งลนั่งล ง, ง, ลงรู้ไหม <laughs> นั่นล่ะคือสติรู้ว่ากายกําลังทําอะไรก็รู้นั่นล่ะคือสติรู้กายไหนลองนึกถึงลนึกถึงคำว่านึกถึงชื่อตัวเองดินึกถึงชื่อตัวเองนะรู้ไหมว่าเรากําลังนึกรู้ไหมว่าเรากําลังนึกรู้ไหมโอ้โหเนี่ยเรารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนี่ก็ใช้ได้แล้ว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 มีมีพราหมณ์มาถามพามพุทธเจ้าว่าพระองค์ปฏิบัติโล ก, กุัตรธรรมอย่างไรในแต่ละวั น, นในวันวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ปฏิบัติโลกรัตธรรมอย่างไรโลกรัตธรรมคือทำเบื้องสูงทำที่อยู่เหนือโลกพราหมณ์มาถามนะพุทธเจ้าตัดว่าดูก่อนพราหมณ์วันวันหนึ่งเนี่ยเรานั่งเรานอนเรายืนเร า, เ, ราเดิน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 หรือไม่รู้นี่น เ, เวลากายเคลื่อนไหวเรารู้ใช้ได้แล้วเวลาใจมันคิดอะไรวเรารู้ใช้ได้แล้วใช้ได้ตอนที่เรารู้ทันแต่ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกธรรมชาติเรามันก็หลงธรรมดายอยู่แล้วแต่นึกขึ้นได้แล้วก็รู้ออรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่อันนั้นคาว่าไม่ได้นะไม่มีหรอกมีแต่เรายังไม่ได้ลองทา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 อ, อย่าบอกไม่ได้เองไม่ได้ก็ลองลองลอ ง, ลองขยับมือเล่นลองขยับมือแล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยมันก็ได้แล้วคำว่าได้ของเรานังคืออะไรคําว่าได้ของเราหนั้นคืออะไรอที่เราบอกว่าทําทําไม่ได้เราเข้าใจแต่ว่าที่ทําได้นี่ยคือทําอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรที่ว่าเราเราทําได้ใครบอกไม่ได้แล้วก็รู้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อเนื่องก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าทําได้ต้องต่อเนื่องเแล้วสติเกิดบ่อยๆนี่ยอันนั้นคือทําได้หรือเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นหรอกเมื่อเราหลงลืมไปแล้วเราก็เริ่มต้นทําเอาใหม่เริ่มต้นทําเอาใหม่บางคนเขาบอกว่าวันนึงเขาไม่มีสติเลยก็คิดคิดคิ ด, คดนั่นแหละคุณรู้ว่าคุณคิดทั้งวันนะคุณมีสติแล้ว ถ้าคุณกาสติคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณคิดทั้งวันนะไอการที่รู้ท่าอาการต่างๆนะ่ะมันการมีสติจะไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นเลยจะไม่ให้อารมณ์เกิดขึ้นเลยจะไม่หลงเลยมันเป็นไมไม่ได้แต่คิดเรารู้หลงเรารู้ทั้นเอง <c oughs> เติมนะไล่เติมความรู้สึกไปเรื่อยๆนะเราจะรู้ว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นชีวิตเป็นธรรมชาติของเรานะ S <S อาจารย์คะถามมีคําถามหนึ่งนะในเพราะว่าในการบางทีเราปฏิบัติอะไรบางอย่างเ อ, อย่างเช่นเราขับรถอย่างเงี้ยคะ่ะขนาดเดียวกันเราก็เบิดวิทยุด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้ในการกําหนดอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราจะต้องตาดูหูฟัง <S <S <res> <Class ical> อันนี้มันมันมันควรจะเป็นแบบว่าสิ่งที่ที่ควรจะเป็นมันคือที่ดีอะค่ะ <worst> ขณะนั้นเราทำอะไรขณะขับรถใช่ไหมใช่ค่ะใจก็ต้องตั้งอยู่ในแดงงานการขับรถดิการขับรถต้องทำอะไรต้องตาดูไฟเทียวไฟแดงต้องขับรถอยู่ในกระบวนการการขับรถทั้งหมดเลยถ้ารู้ตัวว่าเรากำลังขับรถนั่นละก็เรามีสติเรียบร้อยแล้วทำหน้าที่ขับรถทำอะไรบ้างล่ะหน้าที่ขับรถคือทาอะไรคนขับรถย่อมรู้ดีว่าเราต้องตั้งใจเอาใจอยู่ในแดนงานตรงนั้น ใช่ไหมการขับรถเราก็มีที่ขับรถขับอย่งางไรให้ดีที่สุดจะขับรถยังไงให้ดีที่สุดเนี่ยในการทําด้วยสติในแดนงานเราไปเปิดพายุแล้วก็ต้องรู้ว่าเรากําลังเปิดพายุแต่ลืมนะเรากําลังลืมการขับรถไปแล้ว <laughs> ไม่ใช่ว่าจะทําอย่างอื่นไม่ได้เลยทําได้แต่รู้ตัวว่าอ๋อนี่กําลังเปิดพายุอันนี้กําลังขับรถ ให้รู้ตัวตรงนั้นไดาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเปิดวิทยุปั๊บจิจจตใจทั้งหมดเ hey, ที่วิทยุเลยลืมการขับรถวิทยุก็ไม่ดังรถก็ชนกันเราะฉะนั้นต้องดูว่าเราขนาดนั้นเราควรทําอะไรเป็นประธานคือการขับรถอารมณ์ลองคือการเปิดวิทยุหรือการคิดอารมณ์รองให้เราต้องรู้ทันตรงนั้นแต่ก็อย่าลืม งานใหญ่ประธานใหญ่คือการขับรถเป็นหลัก